ตอนนี้ไปซคร่งพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันปณรศีิษีที่สิบห้าคำแหงสุกปักเป็นวันเดือนเก้าเพนพระจันทร์เต็มดวงเราได้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 เพื่อให้มันเต็มเหมือนอย่างตักน้ำใสโองงใส่ไหยอย่างนี้เนะี่ยเมื่อได้ตักเข้าไปแล้วมันก็ม้วงหวังให้มันเต็มนั่นเนะอเมื่อโอคงใหญ่มันก็ต้องตักนานต้องหลายถังกลัวมันจะเต็มอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนะี่ยท่านผู้สร้างบา ร, รมีในโลกนี้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 แล้วพระสาวกผู้ใหญ่เช่นท่านสร้างบา ร, รมีปราถนาให้ได้จดตุปฏิสัมพิทายานหรือว่าให้ได้ละพินโยคือได้อภิญญาณหกให้ได้ไตรวิชาเช่นวิชาสามนะมูนี่แหละท่านผู้ปราถนาให้ได้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 จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่พระนิพพานไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่นอะไรเล่าพาให้คนเราอยากบรรลุถึงถึงพระนิพพานก็คือความทุกนี้เองแหละเป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ดิ้นรนอยากกะให้ได้บรรลุถึงถึงพระนิพพาน เพราะพันิพาณ น, นี้เป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนโดยประการทั้งปวงเป็นบรมสุขเป็นสุขอันยอดยิ่ยมไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าพันิพาณเป็นยอดแห่งความสุขสุขอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยออันสุขอยู่ในโลกอันนี้เราได้รับกันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา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 ได้ไปแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีอันนี้โปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนะบรรดาเทวดาทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมระเทศนาแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้สามารถบรรลุมรรคผลได้จนตลอดถึงอรหัตตผล อันสำหรับเทวดาที่ไม่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นได้เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลไปเท่านี้จะไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเท่าไหร่เทวดาเหล่านั้นเมื่อเมื่อตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วก็ติดใจอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพลิดเพลินมัวเมาอยู่อย่างนั้นไป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 อย่างนี้แหละเมื่อได้ขายสินค้าหมดได้รวมเงินมาไวในธออนาคารแห่งเดียวกันแล้วอย๋างนี้ก็ดีอกดีใจมากนั่นแหละทุนเท่าไรกาไรเท่าไรก็รู้กันหมดอะไรแบบนีออ้ก็อุ่นอกอุ่นใจว่าตนทำการค้านั้นได้ถอนจริงอย่างนี้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ การที่บุคคลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่มันก็เหมือนกันกับลงทุนค้านั้นเองแหละทีนี้ถ้ า, าว่าปฏิบัติไปไม่ให้ครบวงจรเนี่ยมันอาจจะขาดทุนไปก็ได้หรือว่าได้แต่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ฟังธรรมแล้วไม่ภาวนาไม่ทําใจให้สงบระ ง, งับไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น เช่นนี้บางทีก็อาจเสื่อมไปได้เสื่อมจากคานจากศีลไปก็ได้ในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นในใจหนาแน่นเข้าไปพอไม่ได้ชำระมันนี่ไม่ได้ภาวนามีได้อยู่ไปตามยะถากรรมเฉยๆอย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสมันงอกงามขึ้นในใจ นี่มันอาจทําให้เกิดความเห็นผิดว่าทานไม่มีพ้นรักษาสินก็ไม่มีพ้นเพราะว่าภายในจิตใจไม่ไม่สบายออให้ทานไปเท่าไหร่ยิ่งยุ่งใจทุกข์ใจรักษาสินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งลําบากใจอะไรไปทํานองนี้นะมันอาจถอยหลังเลยทีนี้นั่นแหละทีถ้าผูใ้ใดมาภาวนาเนี่ยตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา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 หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอ ย, อย่างนั้นใจมันก็ไม่ได้คิดไปทางอื่นนอมันมันก็สงบอยู่อันที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจนะั้นไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราผูกใจอยู่กับลมหายใจนั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปทางอื่น ให้มันรู้อยู่แต่ลมมันเอก็แสดงว่าจิตนั่นมันก็ตั้งอยู่ภายในแบบนี้มันไม่คิดสองออ่งออกไปข้างนอกมันมีลมหายใจนั้นเป็นเครื่องอยู่ในเบื้องต้นนี่นะ่ะให้เข้าใจการภาวนาขั้นต้นนี้ท่านมุ่งหวังให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่ประสงค์ที่จะให้รู้ให้เห็นอะไรก่อนเอ ให้จิตคือความรู้สึกนั่นนตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าจิตนั้นสงบอยู่ไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะคำว่าสติสัมปชัญญะนั้นนะรู้จิตว่าสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่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 ไม่ค่อยได้ทำใจให้สงบแล้วไม่ค่อยนึกว่าจะทำใจให้สงบซ้ำาสะด้วยนะอันผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วว่าอย่างนั้นก็เพียงจะว่าไปจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วกราบพระไหว้พระนิดนิหน่อยแล้วก็นอนเท่านั้นเองเนี่ยซึ่งว่าคิดว่าจะทำความเพียรทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก เวนเสียจะพูดที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้แล้วนั่นออจึงจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิให้ถูกแบบดังกล่าวมานี่นะแล้วก็จเจริญอนาปานสตินี่ให้มั่นคงจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันควรทำแท้ๆการภาวนานี่นะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จแล้วด้วยใจทีนี้ถ้าว่าใจมันไม่ดีแล้วมันก็เลยไม่ดีหมดทุกอย่างเลยอืมอะไรมันอยู่ที่ใจนี่หมดทางนั้นแหละถ้าใจหลงแล้วอย่างนี้มันก็หลงไปหมดมันเห็นผิดไปหมดเลยอืมเช่นอย่างว่าใจนี่นะ่ะมันเห็นไปว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็งดเลยงดทําบุญนะ บาปก็ไม่ละแล้วเพราะว่าทำไปแล้วมันมันไม่ได้บาปมันจิละมันทำไมอ่อะนั่นไงบุญจะทำไปทำไมทำแล้วมันก็ไม่ได้บุญอะไรทำเสียเปล่าที่เจอ ม, มันเกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็แล้วแล้วไม่ทำบุญแล้วไม่ละบาปแล้วชีวิตนี้ก็เรียกว่าอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นเองไม่ต้องขวนขวายอะไรไม่ต้องฝึกตนนะ ให้เจริญขึ้นไปอะไรเลยแหละพูดเช่นนั้นนะ่ะเรียกว่าอาศัยตแต่บุญเก่าที่ตนทํามาแต่ชาติก่อนโน้นอยู่เท่านั้นเองเนี่ยอื่อเนะี่ยอาศัยบุญเก่าเมื่อตอนเห็นผิดไปอย่างนั้นแล้วอ่ะตนอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วนี่จะไปขวนขวายอะไรนั่งหนาอีกนี่คนเห็นผิดต่อไปอย่างนั้นนะที่แท้เราตนเพียงจะอัศ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 มันมันจะเล่ล่อนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้ดอกถ้าคนมีบาปบาปก็ฉุดเอาไปสู่นรกอาภยภูมิโน่ น, นให้พากันคิดอที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัท ต, ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพาเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตดวงนี้จิตของพุทธชนเนี่ยมันมันเอียงไปได้ง่าย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 ออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราคนเราเนี่เราก็รู้กันดีอยู่นี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอันนี้ยเราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้เลย <c oughs> อาศัยทัศนะคือความเห็นมันตรงกันเมื่อมีความเห็นตรงกันเราก็รวมกันไดเ้เราเห็นกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราก็ชักชวนกันมาทําดีอย่างที่ <c oughs> เรามาจาสินฟังธรรม <c oughs> จเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในวัดวะอารามอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้แสดงว่าทั้งหมดนี่นะเรามีความเห็นตรงกันเลยตรงกับคำสอนของพระเถรเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ไอ่ทำดีได้ดีมีความสุขเป็นผล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 เพราะบาปกับบุญนี่มันเป็นศัตรูกันอันชีวิตของบุตรชนนี้ถ้าหากว่าบุญมีกําลังเหนือบาปบุญก็เอาชนะบาปไปได้ถ้าบาปมีกําลังเหนือกว่าบุญบาปก็เอาชนะบุญไปได้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันนิ้งนอนใจเพะนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของบาปกรรมความทั่วต่างๆเป็นอย่งนั้นเรามาสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ผู้ใดมีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกภัยในสงสารนี้ได้เพราะว่าการละบาปไม่มีใครละให้ใครได้การทาบุญก็ไม่มีใครทาให้ใครกางคนต่างใช้ความสามารถของตนความฉลาดเฉลียวของตน ผู้มีปัญญามันก็มองเห็นบาปได้ชัดๆเหมือนอย่างบุนคคลมีตาไม่มัวไม่ฟ้าไม่บอดนี่แหละมองดูอะไรก็เห็นได้ชัดเจนดีอย่างนั้นนะอันนี้ผู้มีปัญญาตาใจก็อย่างนั้นเลยมองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยเมื่อมันมองเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทาแล้วคนเราแล้วก็มองเห็นบุญได้แจ่มแจ้งเลย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 เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดควบคู่กันไปเช่นอย่างเราทำทานอย่างนี้นะทำทานแก่พระภิกษุสามเณรอย่างนี้ทายกทา ย, ยิกาก็เพราะมีความเมตตาเอ็นดูพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้สละมั่นเรือนละจากการค้าการขายการหาเงินหาทองแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง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 อา้าวผู้ที่มาเห็นพ่อเห็นแม่ของตนว่ามีพระคุณอันสูงส่งได้ให้ตนเกิดมาเป็นคนแล้วได้เลี้ยงดูปูเสือแสนยากแสนลำบากกลัวว่าจะเจริญไว้ไวใหญ่โตมาได้ปานนี้คิดจันี้ก็เมตตาป่าถนาจะให้มารดาบิดาเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ประพฤติชั่วเลวตามบานี้ตั้งหน้าทำความดีขยันมันเพียรหาเงินหาทอง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 ความเจริญได้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาพโมวิหารต่อบุตรธิดาได้ขอนขวยช่วยเหลือบุตรธิดาที่ยังเล็กยังน้อยยังพึ่งตัวเองไม่ได้มารดาบิดาก็อุปถัมภ์บำรุงให้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ความสามารถในการทํามาหาเลี้ยงชีพท่อยที่ทอยต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ ก็จึงนำความสู่ความเจริญมาให้ในตระกูลหนึ่งหนึ่งะถ้าหากว่ามีคุณธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายบุตรธิดาก็ตั้งอยู่ในกัจ ญ, ญุกตเว ท, ทิตาธรรมฝ่ายมารดาวิดาก็ตั้งอยู่ในพมวิหารธรรมต่อบุตรธิดาของตนเช่นนี้แล้วตระกูลนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้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 ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้